4. ประมาณเทวิหารีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาท97เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทและภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างไร คือเมื่อพิกสุไม่สำรวมจกักขุนซีอยู่จิตย่อมสั้นไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อเธอมีจิตสั้นไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปิติก็ไม่มีเมื่อไม่มีปิติปัสสธิก็ไม่มีเมื่อไม่มีปัสสติพิกสุนั้นย่อมอยู่ลำบากจิตของเธอผู้อยู่ลำบากย่อมไม่ตั้งมั่น เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงเมื่อภิกษุไม่สำรวมชิวหินรีอยู่จิตย่อมซ่านไปในรถทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเมื่อเธอมีจิตซ่านไปแล้วเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงเมื่อภิกษุไม่สำรวมมนินรีอยู่ จิตย่อมสั้นไปในธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตสั้นไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อไม่มีปราโมทปิติก็ไม่มีเมื่อไม่มีปิติปัสสธิก็ไม่มีเมื่อไม่มีปสัสสธิเธอย่อมอยู่ลำบากจิตของภิกษุผู้อยู่ลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏ เพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏพิกษุนั้นย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงภิกษุทั้งหลายพิกษุอยู่ด้วยความประมาทเป็นอย่างนี้แลภิกษุอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือเมื่อพิกษุน์สำรวมจากขุนซีอยู่จิตย่อมไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางตาเมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้วปราโมทก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทปิติก็เกิดเมื่อใจเกิดปิติกายก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นทาทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทาทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงเมื่อภิกษุสำรวมชิวหินรียู่จิตย่อมไม่ซ่านไป เธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงเมื่อภิกษุสำรวมมนินียีอยู่จิตย่อมสั้นไปในธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจเมื่อเธอมีจิตสั้นไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อ เ, อเกิดปราโมทปิติก็เกิดเมื่อเกิดปิติกายก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายนั้นย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏเธอย่อมนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงพิกสุทั้งหลายพิกสุอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างนี่แรประมาทวิหารีสูตรที่สี่จบ